ทำมาจงไม่ใช่ของยากนะเราต้องขั้นแรกเลยถือศีลห้าไว้ไม่มีศีลห้าภาวนามไม่ได้หรอกได้ก็ได้แป๊บๆ แ, แล้วก็เสือ่อนมะรักษาศีลห้าไว้ก่อนตั้งใจให้เด็ดเดี่ยว้าดจากนั้นมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าให้จิตใจมันล่องลอยตลอดเวลา ยายรู้สึกอยู่ในกายในใจของเรารู้สึกไปสบายๆแต่รู้สึกอย่างเร่งเครียดนี่ผิดนะเดยจ้องไม่ให้คลาดสายตาเลยรู้สึกได้ทั้งวันรู้สึกได้ทั้งคืนไม่เคยเผลอเลยนี่ไม่ถูกแน่นอนเลยเมื่อเราไม่ใช่พระอราหันต์พระอราหันต์เนี่ยท่านไม่ต้องรักษาท่านไม่ได้รักษาจิตไม่ได้อาศัยสติอะไรไม่ได้อาศัยอะไรเลย จิตมันเป็นอัตโนมัติที่ว่าไม่มีอะไรมายอมมันได้มันไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีขอบเขตไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปการมาเลยเหมือนกะขนาดไม่มีขนาดด้วยนะเต็มโลกธาตุงั้นไม่มีการเคลื่อนไหวไปมาหลวงปูดูลบอกว่าภายในนะเหมือนท่อนไม้เหมือนก้อนหินไม่มีความเคลื่อนไหวภายในภายนอกเขาไม่มีรูปรักษไม่มีขอบเขต แต่จิตพวกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะจิตพวกเรามีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการวิ่งไปวิ่งมานะในความรู้สึกของเราเมื่อจิตเรามีขอบเขตมันเล็กๆอยากจะไปดูรูปก็วิ่งไปดูอยากจะฟังเสียงก็วิ่งไปฟังอยากจะได้กลิ่นอยากรู้รสอยากรู้สัมผัสทางกายต้องเคลื่อนไปอยากจะคิดนึกกรุงแต่งก็ต้องเคลื่อนไ ป, นน ไ, ปไม่รู้อารมณ์ที่คิดนึกกรุงแต่งอะไรมีการไปกันมา แล้ธรรมชาติของเราเป็นอย่างนั้นหลวงปู่ดุลท่านสอนบอกว่าธรรมชาติธรรมดาของจิตย่อมส่งออกนอกธรรมดาของจิตย่อมส่งออกนอกหมายถึงมันต้องเคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ถ้าเราไปจงใจรักษาให้มันนิ่งไม่เคลื่อนไปไหนเลยนะมันเป็นการแทรกแสงสภาวะแล้วหลวงพ่อนะตอนไปหาหลวงปู่ดุลครั้งแรกเมื่อ6กุมภา2525ท่านไปกราบท่านครั้งแรก ท่านก็สอนให้ดูจิตตัวเองกลับมามานั่งดนะูก็เห็นว่า อ, อะไรเป็นจิตอะไรเป็นอารมณ์พยายามแยกตัวนี้นะเห็นความสุขความทุกข์กุศลอกุศลนี่มันอารมณ์มันไม่ใช่จิตจิตต้องเป็นตัวรู้ก็พยายามรักษาตัวรู้ไวนะ้อาศัยทำสมาธิมาเด็ ก, ดกนะพอรู้ว่าต้องรักษาตัวรู้นะรู้ผิดนะว่าต้องรักษาตัวรู้นี่ก็ไม่ยากที่จะรักษาตัวรู้ จิตเคลื่อนไปแล้วรู้ทันนะจิตก็ตั้งมั่นอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าเราดูจิตอยู่แค่เป็นรักษาจิตเอาไว้เฉยๆจิตน่ะผิธรรมชาติไม่ค่อยเคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเคลื่อนทางใจอันเดียวคือเคลื่อนเป็นนิ่งๆอย่างเงี้ยฝึกอยู่สามเดือนนะคิดว่าเจ๋งละไปส่งกันบ้านหลวงปู่ครั้งแรกเลยหลวงปู่บอกว่ายังไม่ได้ดูจิตเลยอันนั้นเป็นการแทรกแสงอาการของจิต เพราะนถ้าเรารักษาตัวรู้เด่นดวงอยู่ได้ทั้งวันนะตองรู้นะั่นนี่แทรกแซงอาการของจิตถ้าไม่แทรกแซงก็คือจิตมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังงั้นจิตจะเป็นอะไรมันก็เป็นไปตามความปรุงแต่งอะไรเข้ามาปรุงแต่งจิตได้บ้างนะสัญญานะเวทนานะเวทนาสัญญานีมาเป็นตัวมาปรุงแต่งจิตแล้วมาปรุงให้เกิดจิตสังขารนะอาศัยสัญญานะเวทนาเนี่ย ทำให้จิตสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วเกิดขึ้นเนี่ยถ้าดูจิตนะไม่ใช่ว่าไปบล็อกห้ามปรุงนะจะไม่ให้ปรุงก็ต้องพยายามปิดหูปิดตานะถ้าปิดได้ต้องปิดจมูกปิดลิ้นปิดกาย้ปิดให้หมดเลยนะก็รักษาให้นิ่งประคองไวนะ้อันนั้นหลวงปูง่บอกว่าแทรกแซงอาการของจิตจิตมีธรรมชาติที่เคลื่อนไหวไปทางทะวันทั้งหกให้เขาเคลื่อนไหวไปแต่เคลื่อนไหวไปแล้วนะ มันปรุงสุขปรุงทุกข์ขึ้นมารู้ทันมันปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมารู้ทันมันอาศัยสัญญาบ้างเป็นจุดตั้งต้นบ้างอาศัยเวทนาเป็นจุดตั้งต้นของความปรุงแต่งบ้างอย่างอาศัยสัญญาเช่นเรานั่งอยู่ดีๆนะหน้าของคนคนหนึ่งนะไม่ได้คิดนึกถึงมันเลยนะหน้าของคนนี้มันโผล่ขึ้นมาเฉยๆสัญญามันผุดขึ้นมาใครเคยเป็นไหมไม่ได้คิดถึงอยู่ๆคนนี้ก็โผล่ขึ้นมานะ นึกว่าตายแล้วเป็นวิญญาณมาบอกไม่ใช่สัญญามันปรุงขึ้นมาพอปรุงขึ้นมาปุ๊บจิตเราปรุงต่อเห็นไหมนึกนึกออกไหมพอเห็นหน้าคนนี้ขึ้นมาในใจแล้วเราก็คิดต่อเลยไอ้นี่ชั่วหรือเกินเนี่ยพงโยตายไปแล้วหระอะไรอย่างเงี้นะหรือคนนี้ดีเหลือเกินคนนี้น่ารักเหลือเกินตัวนี้เรียกว่าสังขาร น, นะนะปรุงเป็นชอบไม่ชอบนะปรุงราคาโทสะโมหะหรืออยู่อยู่หน้าพระพุทธรูปโผล่ขึ้นมานะ โอ้สวยงามนะเห็นพระชินราชโผล่มาสวยงามใจมีปีติมีความสุขอะไรเกิดขึ้นปีติมีความสุขอะไรนี่ก็เป็นความปรุงแต่งเป็นสังขารฝ่ายดีนะลบกรดลงก็เป็นสังขารฝ่ายชั่วอนะไรพวกนี้ขึ้นมาเวลาเราคิดถึงพระแล้วมีปีตินะเป็นความปรุงดีเราทําชั่วแล้วปีตินี่เป็นความปรุงชั่วนะไม่ใช่ปีติดีตลอดนะวิริยะก็ไม่ใช่ดีตลอดนะ วิร well. ิยะทำทำทางความดีก็เป็นความปรุงดีวิริยะในทางชั่วก็เป็นความปรุงชั่วสมาธิก็เหมือนกันสมาธิเกิดร่วมกับจิตที่ดีก็เป็นสมาธิที่ดีสมาธิไปเกิดร่วมกับจิตที่ชั่วก็เป็นสมาธิชั่วแต่สติปัญญาเนี่ยเกิดร่วมกับจิตที่ดีเสมอบางตัวความปรุงบางตัวเนี่ยเกิดร่วมทั้งตัวดีตัวชั่วบางตัวเป็นชั่วอย่างเดียวอย่างโลภโกรธลงเนี่ยเป็นชั่วฝ่ายเดียว ความปรุงเกิดขึ้นอาศัยสัญญาแลปรุงขึ้นมาก็ได้อาศัยเวทนาแล้วปรุงขึ้นมาก็ได้นะเช่นลมมันพัดมาอากาศร้อนๆลมพัดมานะมันมีความสุขขึ้นมีความสุขหัวใจก็ปรุงมีราคะพอใจในความสุขหนว ใ, ใจมันปรุงต่อจากเวทนาก็ได้กําลังหนาวจัดเลยนะ ล, ล, ลมพัดมาเนี่ย เกิดทุกขเวทนาทางกายใจไม่ชอบเลยใจหงุดหงิดลำคาญลมหนาวอะไรย่างเงี้ยไม่ชอบเนี่ยอาศัยเวทนานะก็ปรุงสังขารขึ้นมาได้อาศัยสัญญาก็ปรุงสังขารขึ้นมาได้หน้าที่เราไม่ใช่ไปล็อกห้ามปรุงถ้าไปประคองจิตให้นิ่งไม่ให้ปรุงอะไรอันนั้นกําลังปรุงอยู่ปรุงนิ่งปรุงนิ่งเนี่ยเป็นปรุงไปพรมโลกไม่ใช่ปรุงไปนิพพานเนี่ยปรุงแล้วไปพรมโลก งั้นหน้าที่เราเนี่ยปล่อยให้จิตเ้าปรุงไม่ใช่ไปปรุงจิตนะให้จิตเขาทำงานของเขาเอ ง, <ๆ>ของเขาทำอยู่แล้วเรามีหน้าที่แค่มีสติรู้ทันการทำงานของเขาไปเท่านั้นเองนะเวทนาเกิดขึ้นนะจิตใจชอบรู้ว่าชอบนะทุกเกิดขึ้นนะเวสุขเวทนาเกิดขึ้นใจเราชอบรู้ว่าชอบนะทุก เ, เวทนาเกิดนะใจไม่ชอบรู้ไม่ชอบอนะไนะรอย่างี้น vacation, นะรู้ทันลงไป ราคะเกิดขึ้นนีใจชอบก็มีนะใจชอบก็มีใจคล้อยตามราคะโทสะเกิดขึ้นใจพอใจในโทสะนะปล่อยให้มันค่อมงำก็มีบางคนโมโหแล้วภูมิใจรู้สึกไหมเคยมีไหมใครเคยเป็นนะโมโหแล้วรู้สึกภูมิใจกูโมโหเก่งอย่างนี้ก็มีนะหลวงพ่อเคยเจอนะภูมิใจมากเลยของเราคนดูภูมิใจไปได้ไงวะสกปรกมอมแมมนะก็ภูมิใจของเขาอ่ะ ก, ก, ค ก, ก็คนรักชั่วมันก็ชอบชั่วแหละคนรักดีมันก็ชอบดีเกลียดชั่วคนรักชั่วมันก็ชอบชั่วเกลียดดีมันก็ธรรมดานาน า, นานจิตตังเราดูนะคอยดูให้เห็นให้เขาทำงานไปการที่จิตจะทำงานเนี่ยมันเริ่มจากผัสสะเริ่มจากการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เขากระทบอารมณ์ไปอย่าห้ามการกระทบพวกเรานักปฏิบัตินะมัจะลอยถ้วย กลัวการกระทบอารมณ์เพราะว่ากระทบแล้วจิตกระเทือนจิตไม่นิ่งเลยหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์นะหลับหูหลับตาปิดอะไรได้หมดเอาหมดเลยนะไม่เจอผู้คนอะไรได้ยิ่งชอบอนยะ่างเงี้ยอันนั้นมันเหมาะกับการทําสมถะเฉยๆนิ่งๆจิตใจไม่กระทบกระเทือนอะไรไม่กระทบแนละ้วมันก็ไม่กระเทือนส่วนนักวิปัสสนานะให้มันกระทบไปแล้วให้มันกระเทือนไปแต่มีสติเท่านั้นเองมีสติรู้ทัน กระทบทางไหนกระทบทางตากระทบทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้มันกระทบไปถ้าหากไม่กระทบแล้วบรรลุมากผลเร็วนะคนตามบอดจะบรรลุก่อนเราคนหูหนวกจะบรรลุก่อนเราคนที่บื้อเออไปเลยไม่คิดอะไรไม่ถูกนะคงบรรลุเร็วไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยถ้าเราไม่มีตาไม่มีหูอะไรนี้ถ้าไม่มีมาแต่เกิดนะท่านเรียกว่าพวกนี้เกิดมาด้วยบุญที่ไม่สมประกอบ เกิดมาด้วยเหตุสองด้วยเหตุสองเขาเรียกว่าทวิเหตุกุกตะบุคคลเกิดมาบ้าใบบอดหนวกอยเงี้ยเกิดมาเป็นอย่างนี้เลยนะถ้ามาตาบอดทีหลังไม่เป็นนะถ้าบ้าใบบอดหนวกมาแต่กําเนิดนีก็ถือว่าเป็นอาภัพมากเรียนไม่ได้ทํากรรมฐานไม่ได้ทําฌานไม่ไดนะ้แต่พวกเราเนี่ยเกิดมาสมประกอบไม่ได้บ้าใบบอดหนวกก็พอจะทํากรรมฐานได้ แต่ก็ต้องดูอีกว่าได้สะสมปัญญามาบ้างไหมถ้าเกิดด้วยเหตุสองนะเกิดด้วยอโลภาอะโทสะเนี่ยปัญญาอ่อนนะปัญญาน้อยต้องสู้กันนานถ้าเกิดมาด้วยอโลภาอะโทสะอะโมหะมีปัญญามาแต่เกิดสะสมมาแต่ชาติก่อนชาติที่จะภาวนา ง, ง่ายแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เท่าเทียมกันในทางรัฐมนูญบอกมนุษย์เท่าเทียมกันในทางปฏิบัติไม่เท่าหรอกใช่ไหมอย่างเรา นั่งรถไปไหนนะมีตำรวจนำไหมไม่มีเหรออย่างดีไม่ดีถูกตำรวจจับปิดด่านปิดเดินอะไรอีกนะอีกคนหนึ่งบารมีมากไหมเป็นใหญ่เป็นโตเป็ น, นรัฐมนตรีไปไหนเขาสบายคนเรานะในทางรัฐธรรมนูญบอกเท่าเทียมในทางปฏิบัติไม่เท่าหรอกในทางกรรมก็ไม่เท่ากันพวกเราบางคนภาวนาเร็วบางคนภาวนาช้าใช่ไหมบางคนไม่สนใจการปฏิบัติเลยสนใจแต่อาธรรมนะ ชอบแต่เรื่องชั่วๆครบก็ครบคนชั่วพูดก็พูดชั่วทำก็ทำชั่วนะไม่มีดีสักอย่างบางคนก็อยากดีพยายามพัฒนาตัวเองนี่มีลูกศิษย์ทางไปรษณีย์ของหลวงพ่ออยู่คนนึงนะเขาเป็นคนพิการเดินไม่ได้หรอกพิการมาแต่กําเนิดนั่งรถเข็นนะอาศัยญาติพี่น้องอยู่คนนี้นะพยายามมากเลยคือจะฟังซีดีหลวงพ่อก็ต้องแอบฟังนะจะถูกด่า ทำอะไรลําบากทุกอย่างเลยนะมีคนให้พระทาตไปนะญาติพี่น้องก็แย่งเอาไปอีกโอ้ชีวิตเป็นขนาดนั้นนะแล้วแต่ทุกเดือนนะจะส่งจดหมายมาฉบับหนึ่งมารายงานการปฏิบัติแล้วทาบุญห้าบาททําบุญหบาทมาทุกเดือนเลยคนคนีนะ้แล้วก็ภาคเพียรมากหลวงพ่อก็ส่งหนังสือบ้างอะไรบ้างนะส่งไป เาก็พอหนังเขาต่ตอนนี้เป็นนักศึกษามอสทอแล้วอยากเรียนหนังสืออยากเลยเนี่ยคือฐานน่าบากมากเลยแต่ใจรักดีของพวกเราบางคนฐานดีนะจะใจรักชั่วมีขานะ้มันก็พ า, าเอาขาพาไปเที่ยวในคลับเที่ยวบาร์เที่ยวฝับนะนี่เดินไม่ได้ยังพยายามจะเรียนหนังสือพยายามปฏิบัติธรรมอาศัยเขาอยู่นะบ ไปกินข้าวแต่ละมื้อบางทีเขาก็ว่าอะไรอย่างนี้กินเยอะไปเนี่ยชีวิตคนไม่เท่ากันมันอยู่ที่กรรมนะเป็นตัวจำแนกกรรมเก่าเนี่ยส่งผลให้เรามาเจอสถานการณ์ปัจจุบันแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราต้องทำกรรมใหม่ละจะมาอ้างกรรมเก่าไม่ได้อย่าเราเกิดมาจนนะถ้าจะบอกว่าชาติก่อนเราไม่ดีเราเกิดมาจนเกิดมาจนเป็นผลของกรรมเก่าจริงแต่ปัจจุบันมีหน้าที่ เราต้องพัฒนาตัวเองไม่ใช่ยอมจํานวนกับกรรมดังนะัต้องพัฒนาขยันมันเพียรอะไรต่ออะไรนะอดออมอะไรต่ออะไรครบคนดีๆดํนะารงชีวิตให้พอควรกับสถานะของตัวเองมีไรายได้เดือนละหมื่นใช้เดือนละแสนไงก็จนนะนะคือถ้าทําตัวอย่างนี้นะวางตัวให้ดีวางตัวให้ถูกเนะี่ยผลของกรรมเก่าที่ส่งมาเนี่ยเราเจอปรากฏการ์อย่างนี้แต่ในปรากฏการ์อย่างนี้ยเรากําลังทํากรรมปัจจุบันอยู่ งั้นเราทํากรรมปัจจุบันให้ดีที่สุดเลยนะอย่ามาอ้างกรรมเก่าถึงเกิดมาภาวนายากภาวนายากก็ต้องภาวนาไม่ใช่ภาวนายากแล้วก็ท้อใจไม่ภาวนารอไปพบพระสีอานเดี๋ยวควงภาวนาง่ายไม่ง่ายโดยถ้าไม่เคยทำํำงั้นรีบทํำซะตั้งแต่ชาตินี้นะคนไหนบารมีมากพอแล้วก็วจะได้มรดกได้ผลไปคนไหนยังไม่ได้ก็ได้นิสัยชา ต, ติต่อไปก็จะภาวนาง่ายไม่ไม่ยากําเข็น ตอนเด็กๆนะของเก่าบางทีกลับขึ้นมาเลยนะกลับขึ้นมาเองตอนเด็กๆหลายคนภาวนาหลวงพ่อนะพอรู้สึกตัวขึ้นมาได้จิตตื่นขึ้นมาได้รู้สึกเลยว่าเนี่ยของเก่าเคยเป็นมาแล้วแต่ลืมไปนานแล้วใครเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมลูกมือให้ดูสิมีไหมนี่มันรู้สึกเลยว่ามันของเดิมมันเคยทํามันมีฐานมาเดิมแล้วมีหน้าที่ต่อยอดคนพวกไม่มีฐานมาก็รีบทําฐานเข้าฐานของเราอะไรเป็นฐานศีลเป็นฐานนะ เราก็สมาธิก็เป็นฐานการเจริญปัญญาเป็นฐานฐานเราก็มี3มชั้นนี่แหละเห็นพระพุทธรูปไหม พ, พุทธรูปมือ่อเกิดสร้างฐาน3ชั้นนะคือศีลสมาธิปัญญางั้นตื่นขึ้นมาตั้งใจรักษาศีลทุกวันพยายามฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวแต่ไม่ใช่เพ่งจนเครียดให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็คอยดูกายมันทํางานคอยดูใจมันทํางานให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติ กระทบอารมณ์แล้วให้มันกระเทือนไปตามธรรมดาไม่ห้ามเลยนะเช่นเห็นคนนี้เกลียดไม่รู้ว่าเกลียดไม่ต้องไปบอกว่าอย่าเกลียดอย่าเกลียดอย่าเกลียดหรือรู้ว่าประเดี๋ยวคนคนนี้จะมานะเราเราเกลียดมากเลยโกรธมากเลยบอกตัวเองว่าอย่าโกรธนะอย่าโกรธนะอย่าโกรธนะนี่อันนี้เกินไปนะตึงเครียดเกินไปเอาแค่ว่าโกรธเรารู้ทันแล้วอย่าไปด่าเขาอย่าไปตีเขานะ ใหคอยรู้ทันทางกายทางวาจานะไม่ล้นออกไปลูกราว่าอื่นแต่ทางใจไม่ห้ามเลยทางใจให้มีสติรู้ทันร้ายแค่ไหนก็รู้ทันเข้าไปเฉะนั้นเมื่อเมื่อมีการกระทบนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วใจจะกระเทือนก็ไม่เป็นไรให้มันกระทบกระเทือนไปแต่มีสติรู้ทันเราก็จะเห็นเลยว่าจิตนี้หรือตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดนี้นะมันไม่ใช่ตัวเราตาจะเห็นรูป เราไม่ได้สั่งให้เห็นถึงเวลามันก็เห็นเห็นแล้วก็เลือกไม่ได้ว่าต้องเห็นแต่รูปที่ดีห้ามเห็นรูปเลวหูจะได้ยินเสียงถึงเวลามันก็ได้ยินถึงเวลาตอนไหนที่ได้ยินมีเสียงมีหูมีผัสสะมีความรับรู้มีจิตเกิดขึ้นที่หูอย่างนี้มันก็ได้ยินขึ้นมาไม่ได้ยินมันก็ได้ยินเพราะว่าองค์ประกอบของการได้ยินมันครบไม่ใช่เพราะเราสั่งให้ได้ยิน พอได้ยินแล้วเนี่ยจะได้ยินเฉพาะเสียงดีๆก็ไม่ได้จะสั่งห้ามว่าอย่าได้ยินเสียงที่ไม่ดีก็ไม่ได้จงได้ยินแต่เสียงชมไม่ได้ยินเสียงด่านสั่งไม่ได้ไหมงั้นหูเองก็ไม่ใช่ว่าเราจะสั่งได้ตาเราก็สั่งไม่ได้ให้เห็นแต่ของสวยก็ไม่ได้อย่าเห็นของไม่สวยก็ไม่ได้นะจมูกเราก็สั่งไม่ได้มีจมูกมีกลิ่นมีการกระทบระหว่างจมูกกับกลิ่นมีความรับรู้คือจิตเกิดขึ้นที่จมูกก็ต้องได้กลิ่น กลิ่นจะดีหรือกลิ่นจะเลวเราเลือกไม่ได้จงได้กลิ่นหอมอย่างเดียวไม่ได้กลิ่นเหม็นอะไรก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมทางกายก็เหมือนกันมีร่างกายมีความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งมากระทบร่างกายถ้ากระทบขึ้นมามีจิตไปรับรู้มันก็รับรู้ขึ้นมารู้ถึงการกระทบขึ้นมาสั่งไม่ได้อีกว่าต้องสิ่งที่มากระทบต้องพอดีพอดีตลอดไม่ให้เย็นไปไม่ให้ร้อนไป สั่งไม่ได้เองมีร่างกายแล้วก็ต้องรับรู้สัมผัสทางกายมีใจก็เหมือนกันนะใจก็มีความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆไม่ห้ามมันหรอกแต่เราก็จะค่อยเห็นไปว่าเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงร้ายเดี๋ยวก็ปรุงสุขเดี๋ยวก็ปรุงทุกข์เลือกไม่ได้หรอกอย่างเราบอกว่าอย่าโ ก, กรธอย่าโ ก, กรณ์นะเดี๋ยวเดียวก็โกรธแล้วให้อภัยเขาเถอะนึกคนนี้ไม่ดีเลยเราให้อภัยเขาเถอะเพราะาเจอหน้าเขาไปชกเขาก็ละมันลืมไป เะจิตเองก็บังคับไม่ได้นะเนี่ยเฝ้าดูลงมาเรียนรู้ลงมานะเราเห็นในตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเป็นของบังคับไม่ได้การกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เลือกไม่ได้กระทบแล้วนะจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลก็เลือกไม่ได้นะใจมันเป็นเองทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันทั้งสิน้นแล้วทําไมเวลามีตาต้องกระทบอารมณ์ดีบ้างเลวบ้างเพราะวิบากมันให้ผลมา วิบากดีให้ผลมาก็เห็นของสวยวิบากไม่ดีก็เห็นของไม่สวยนะพวกเราเคยนั่งรถไปนะเห็นรถชนกันบางคนเนี่ยชอบดูหันไปดูดูซิจะตายไม่ตายนะตายกี่คนถ้าตายมากจะภูมิใจได้เอาไปเล่าต่อนะเดี๋ยวเราจะไปเล่าอีกคนนึงกลัวมากเลยนะเบือนหน้าหนีไปอีกฝั่งหนึ่งปรากฏเขาเอาศพมาไว้ฝั่งนี้แล้วนะหันมาโอ้เลเทเลย ท, ทั้งที่ไม่อยากเห็นนะ ไอ้คนนี้เชิ ง, ง้อย่ามันมันเป็นยังไงไมัเป็นไม่มีอะไรไม่เจอเนี่ยวิบากมันให้ผลไม่เหมือนกันนะอย่างถ้าเราวิบากไม่ดีให้ผลนะล้วก็เจอของไม่ดีวิบากดีให้ผลก็เจอดีๆแต่พอเจอดีแล้วนะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลอะไรนะเจอดีเจอช่วยเกิดทุกข์เกิดสุขเกิด ก, กดุศลอกุศลให้มีสติเอารู้ทันที่ใจของเรานี่แหละไม่ห้ามสักเรื่องเดียวไม่ห้ามเราได้อะไรนะไม่ห้ามแล้ว เราก็จะเห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยงอกุศลก็ไม่เที่ยงรูปที่เราเห็นก็ไม่เที่ยงนะเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ได้สัมผัสรสที่ได้สัมผัสสิ่งที่มากระทบทางร่างกายหรือทำมารมณทั้งหลายก็ไม่เที่ยงตาของเราก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็ไม่เห็นพวกเราลองทดสอบสายตาของเราลองดูพระพุทธ ร, รูปองค์ใหญ่ดูหน้าท่านนะดูสิ ดูให้ชัดตลอดเวลาสิห้ามเบรอนะถ้าลองดูแล้วเราจะพบว่าเราเห็นชัดอยู่ช่วงวูบเดียวอะแล้วตาจะเบร์เบอแล้วต้องปรับรูกัตาใหม่อีกทีหนึ่งแล้วไปดูใหม่ถึงจะชัดขึ้นมาอีกแว บ, บหนึ่งดูออกไหมั้ ย, ยตาเขาบังคับไม่ได้ไหมสั่งไม่ได้เยดูกันใหญ่รู้สึกแปลกไหม ลองดูหน้าคนข้างๆเราก็ได้นะแต่ถ้าเขาเกลียดเราอย่าไปดูเขาะเดี๋ยวก็ตอบเอาลองดูคนข้างๆเรา เ, เวลาเรามองใครสักคนนะเรามองแบบต่อจิกซอนะเรามองเป็นจุดเล็กๆๆนะมองแล้วก็ขยับลูกตามองแล้วก็ขยับลูกตาเพราะจิตตาเนี่ยรับอารมณ์ได้นิดเดียวเองรับรูปได้ทีละขณะขณะเท่านั้นเองแวบบเดียวแวบบเดียวแวบบเดียวนั่นแหละแล้วมันก็ดับมันก็ไม่ชัดนะมันก็เบลอไปก็ต้องมองใหม่ ก็ทีเรแวบทีเะแว็บเสร็จแล้ ว, ว Med, ลอาศัยสัญญาความจําเราจําภาพแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยสัญญาเนี่ยมาประมวลภาพขึ้นมาก็เลยเป็นอ๋อคนนี้เป็นอย่างนี้คือคนนี้คน äh, คน äh. ี้อาศัยสัญญานะส่วนที่ตามองเห็นนะเห็นเล็กนิดเดียวก็เห็นสั้นนิดเดียวหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันหูได้ยินเสียงที่เราฟังเป็นภาษารู้เรื่องก็เพราะอาศัยสัญญาเสียงอย่างนี้ต่อกขะเสียงอย่างนี้เสียงอย่างนี้ต่อขะเสียงอย่างนี้นะ ก็แปลว่าเสียงอย่างนี้มีความหมายอย่างนี้อะไรเงี้ยเห็นไหมตาเราตาเราไม่เชี่ยงอ่ะเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยอ่ะฟังเสียงดูแล้วให้กระเทือนถึงใจใครเห็นจิตไหวบ้างมันจะพลิ้วๆๆๆตามเสียงนะเนี่ยไม่ห้ามนะแต่ว่าไหวเรารู้ถ้าไหวนิดนหน่อยๆน่ น, นะ บางทีสบายๆถ้าไหวซ้ำซากอยู่ที่เดียวเดี๋ยวก็หงุดหงิดนะจะสบายหรือจะหงุดหงิดนะเลือกไม่ได้อีกเนะนี่ยดูของจริงลงไปนะเราจะเห็นในในกายในใจในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงเต็มไปด้วยของที่บังคับไม่ได้เต็มไปด้วยของที่คงทนอยู่ไม่ได้เนะนี่ยเฝ้าดูความจริงของชีวิตอย่างนี้ถ้าดูมากขนาดที่หลวงพ่อเล่านี้ไม่ไหวนะรู้ทันที่ใจอันเดียวก็พอ รู้ที่ใจก็ไม่ต้องรู้เยอะมีแค่มีสุขก็รู้มีทุกก็รู้เฉยๆก็รู้สมอย่างนี้พอแล้วนะรู้แค่นี้ก็พอแล้วส่วนจะดีจะชั่วถ้าดูไม่เป็นก็ช่างมันแต่ถ้ามีความสุขก็รู้ตอนนี้กําลังสุขอยู่ตอนนี้กําลังทุกอยู่ตอนนี้กําลังเฉยๆอยู่เนี่ยรู้ไปเรื่อยๆนะนานไปเราก็จะเห็นเลยว่าสุขก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวเฉยก็ชั่วคราดการที่เรารู้อยู่อย่างนี้จิตก็จะไม่ปรุงความทุกข์ต่อไปนะ รู้ไม่ทันเนี่ยมีความสุขขึ้นมาราคาแทรกราคาแทรกก็เกิดตัณหาบางอย่างอยากมีอยากเป็นอยากได้พกระทบมานะเกิดทุกข์ขึ้นมาก็โทสะแทรกเนี่ยไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากเจออยากให้พ้นไปอยากให้มันไม่มีเรียกว่าวิภวะตัณหาอยากให้มันหมดไปเนี่ยอาศัยเวทนานะกิเลยก็แทรกแล้วตัณหาก็เกิด พอมีความอยากเกิดขึ้นจิตจะดิ้นหมุนติ้วๆอยู่ข้างในเลยนะไปตามอำนาจของความอยากอันนั้นเรียกว่าภพนะภพก็คือการปรุงของจิตหมุนหมุนหมุนอยู่ในนี้องวัตตะอยู่ที่นี่เองเคยได้ยินไหมคำว่าวัตตะวัตตะสงสารคนไทยเรียกสงสารนะจริงๆคือสังสาระมันหมุนหมุนหมุนอยู่ในใจเรานี่เองให้คอยรู้ทันหมุนไปทางนี้นะเดี๋ยวก็ดีหมุนมาไปอีกเดี๋ยวชั่วนะ เดี๋ยวก็เป็นเปลี่ยเดี๋ยวก็เป็นสุรกายเดี๋ยวก็เป็นสัตว์นรกเดี๋ยวกเป็นสัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวเป็นมนุษย์ร่างกายของเราเป็นมนุษย์นะเราเกิดมาในภูมิของมนุษย์ในภพของมนุษย์เนี่ยก็จริงนะแต่ว่าจิตของเราเนี่ยสร้างภพเล็กๆอยู่ตลอดเวลาร่างกายเป็นมนุษย์บางทีใจก็เป็นเทพเป็นพรอมเรื่องมนุษย์สเทโวบางทีร่างกายเป็นมนุษย์ใจของเรามีศีลมีธรรมก็เป็นมนุษย์มนุษย์บางที ร่างกายเราเป็นมนุษย์ใจเราโลภเราก็เป็นมนุษย์สเปตโตมนุษย์เปรตนะบางทีใจของเรามีความทุกข์มากร่างกายเป็นมนุษย์นะแต่จิตใจเป็นสัตว์นรกเรียกมนุษย์นิรยโยนะบางทีร่างกายเราก็ยังเป็นคนนะแต่ใจเราหลงมีแต่โมหะหลงอยู่นะอันนี้ใจของเราก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเมือนเราสร้างพพสร้างชาตินะหมุนติ้วติว้อยู่ในใจเราตลอดเวลา พบทั้งหลายเนี่ยหมุนเข้ามาแลเกิดเราก็ดับเกิดเราก็ดับทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเลยเลยลเนี่เฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยนะแต่ถ้าดูขนาดนี้ไม่ได้ก็เอาแค่สุขแค่ทุกข์แค่เฉยก็พอเฝ้ารู้เฝ้าดูไปพื้นฐานเดิมแต่ละคนไม่เท่ากันนะแต่ละคนไม่เท่ากันแต่พวกเรามีบุญพอที่จะปฏิบัติได้เราไม่ได้บ้าใบาบอดหนวกมาแต่กําเนิดนะแล้วก็ แต่ว่าบางคนเกิดมาด้วยเหตุสองบางคนเกิดมาด้วยเหตุสามพวกที่เหตุสองนี่คือพวกที่ไม่ได้สะสมปัญญามาแต่ไม่ได้สะสมปัญญามาไม่เป็นไรสะสมตอนนี้ฟังธรรมะนะเอาซีดีหลวงพ่อไปฟังแล้วฟังอีกเดี๋ยว ป, ญญปัญญาก็เกิดปัญญาก็อาศัยโยนิโสนะค่อยๆสังเกตค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาไปก็เกิดขึ้นมาจนได้ส่วนบางคนมีปัญญามาแล้ว อย่าไปฟุง้งซ่านมากเขาดูของจริงเรื่อยไปเดี๋ยวมันก็แจ้งขึ้นมามันก็ปล่อยถ้าเห็นจริงรเมื่อไหร่ก็จะปล่อยวางอยู่ในหลักที่พระเจ้าสอนเลยเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกน จะรู้สึกขึ้นมาอาไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ